นับนมัสการหลวงพ่อแล้วครับพอาจารย์มงคลด้วยครับาสาหรับคอสนี้ก็เป็นคอสเต็มคอสแรกกับหลวงพ่อมหาดิเรกครั้งนี้ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จค่อนข้างมากกับความตั้งใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความสับสนระหว่างกระบวนการของการปฏิบัติแบบสมถะครับมีปัินาซึ่ง ซึ่งบางส่วนเนี่ยมันอาจจะเหมือน ใ, นใกล้เคียงกันแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่จริงแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงเนี่ยคือการมีปรันาเนี่ยเป็นการเอาจิตมาอยู่กับตัวแต่สมถานเนี่ยจะเป็นการมองจากภายนอกเอาจิตส่งออกแล้วค่อยดึงกลับมาซึ่งมันมันต่างกันค่อนข้างมากซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยผมได้ ได้กลัลยาณมิตรที่ดีทั้งพี่เล็กพี่อุ้มพี่มนตและกลุ่มบ้านสติมาเนี่ยคอยแชร์ประสบการณ์แล้วก็กับแฟนผมคือหนิงเนี่ยเขาได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วหนึ่งคอร์สแล้วก็ได้ปฏิบัติกับหลวงแม่คุณแม่สมพรเนี่ยสองครั้งซึ่งเขาก็พยายามบอกประสบการณ์ว่าจะเจออย่างนูน้นอย่างนี้อะไรลักษณะ น, นี้เนี่ยพอผมมาได้ปฏิบัติเองนะครับเอ่อ แล้วในส่วนของท่าทางเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติของผมเนี่ยส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะติดทางสมถะค่อนข้างเยอะเพราะมีการเกรงและมีการใช้สัญญาหรือบริบทตรงนี้เข้ามาช่วยเยอะมันเลยทําให้เป็นอุปสรรคหรือวิบากในการที่จะเรียนรู้ในด้านวิปัสสนาค่อนข้างมาก พอได้มาเก็บอารมณ์กับหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อคอยชี้แนะและคอยแก้ปัญหาแก้อารมณ์ให้เนี่ยทุกอย่างก็เป็นประย่างด้วยดีแล้วก็เป็นไปนตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เล่ากันมามันเลยเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ที่แท้จริงหลังจากนี้ต่อไปผมจะให้ความสำคัญกับการเจริญสติให้มากขึ้น เพราะว่าผมเชื่อว่าการเทเละสติตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นได้และตัวเราเองและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้มีสิ่งพ้องกันตัวเองแม้ว่าทุกเนี่ยมันไม่ได้จะสูญไปก็จริงแต่ว่าเรามีเครื่องมือ ในการที่จะระงับทุกข์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปคล้องเกี่ยวกับมันแม้จะเป็นการยา ก, ก็ตามแต่ถ้าเรามีความเพียรไม่ใช่ทั้งใจนะฮะคือความเพียรเราก็จะผสมกับเสริฐในวันหนึ่งผมคิดว่าเช่นนั้นคือคือสมถาถิจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจไม่ช่วงวันที่สองซึ่งวันจริงๆการนั่งหลับตาทาสมาธ เนี่ยนะครับมันเป็นการเหมือนการบังคับจิตให้กดอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกซึ่งคนที่มีสมาานเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้ามีเขาเรียกว่าถ้ามีการปฏิบัติที่มากพอถ้าในในชีวิตของความเป็นจริงก็จะเป็นที่คนที่มองโลกในแง่ดีซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าการคบเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยแต่เป็นการกดทับปัญหาไว้ โดยไม่มีทางแก้เขาถึงบอกว่ามีพระท่านก็พูดว่าโอ้มองโลกในแง่ดีนะโยมแค่พลิกพลิกจิตอ่ะพลิกจิตในทางสมถะจริงมองโลกในแง่ดี ม, มุมมองมันก็เปลี่ยนแต่การแก้ปัญหาในตัวเองเนี่ยแก้ไม่ได้มันก็คงคงหลอกตัวเองผมใช้คาว่าหลอกตัวเองดีกว่าหลอกตัวเองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ของทุกข์แล้ว เราก็เราก็สามารถอยู่กับมันได้แต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้ จ, จริงมันเลยเป็นเพียงที่เช่นสมมติว่าคนมีที่ทํางานอย่างที่ผมอย่างผมเนี่ยผมทํางานอยู่มีเพื่อนร่วม ง, งานเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะมีอยู่สองสาคนคนนึงจะมีอีโก้สูงอีกคนหนึ่ง ก็มีจิตใจที่ดีและมองโลกในแง่ดีผมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับลิ้นกับฟันคนหนึ่งเขาชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบคือไว้ไงเวลาทำงานเนี่ยเขาทำงานไปคนละทางเช่นคนที่บอก A ดีกว่าอีกคนที่บอก B ดีกว่าแล้วก็หาพวกอย่างผมเนี่ยจะเข้าไปพวกไหนดี A หรือบ A หรือ B ผมก็ดูตามสถานการณ์อันไหนเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดนึกออกไหมฮะคือหมายครับว่าเฮ้ยเราเอา A ดีกว่าตอนนี้เอาเค okay, เอา A ก็ A ตทต่งทั้งที่ใจก็รู้ว่าบมันก็น่าจะดีกว่าเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเรามองแล้วว่าคนที่มุมมอง A หรือบเนี่ยมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมมากที่สุดผมก็สนับสนุนตรงนั้นนึกไหมฮะซึ่งแต่ละคนมันก็มีอัตัของแต่ละคนเข้ามา ผมบอกเออมันก็แค่เหมืนอนอ้างยอมยองกันไปก็คือจบไปอะไรเงี้ยก็ให้รู้ว่าตรงนั้นแต่ว่ามันมีในใจลึกๆว่าที่จริงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเอ๊ะทางนี้มันดีกว่าทําไมเราต้องเลือกเพียงแต่ว่าเราต้องการเพื่อให้บรรยากาศภายในการนี้ที่ทาํางานงเนี้ยมันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เจอคนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็น เป็นต่างชาติก็เอ้ยคนไทยด้วยกันเองหรือใครลักษณะนี้เนี่ยแต่จิตเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันถูกกดทับไว้วันวันหนึ่งเนี่ยที่มันถูกล่องถูกลอยมันมาสะกิดแผลตรงนี้ขึ้นมามันระเบิดออกมาพอแล้วมันระเบิดออกมาเนี่ยมันก็ทําให้รู้ว่าเออเว้ยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเพียงแค่ถูกกดไว้ในจิตใจเท่านี้แต่การทํา วิปัสนาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนพริกมุมมองในจิตใจคือถ้าเรียกว่าก็เป็นรูปนามธรรมเนี่ยที่อยู่ในใจที่เราเนี่ยเราสามารถค้นเข้าไปแล้วมองในความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยมันจะวางเราก็ต้องวางทั้งคู่อ่ะใช่เราต้องวางทั้งคู่ก็มองไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของ พิพัฒนามันทุกอย่างมันก็คือแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองใช่เราก็วางตัวเป็นกลางตรงนี้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าจะต้องเทคไซส์จริงๆเนี่ยเราก็วางวางใจของเราเป็นกลางโดยเราไม่ต้องไปอิงกระแสพี่หมายว่าทำตัวให้กลมกลืนายับกรา<อ>บนวัสการหลวงพ่อพ ร, พระมหาดิเรกและอาจารย์มงคลนะคะก็โชคดีค่ะคลาสคลาสนี้ได้มาแต่มาได้แค่สามวัน ติดตามหลวงพ่อมาตอนที่ท่านไปฟอรดาปีสองพสองสิบสาแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็มีความเข้าใจเข้าใจว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่าสำหรับที่จะทำให้จิตใจเบิกบานจิตใจผ่องใส แล้วก็ไม่ไม่คิดฟุง้งซ่านไม่วุ่นวายกับสิ่งรอบตัวมากจนเกินไปเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สังขารเยอะหมายถึงว่าห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงโน้นข้าวของก็เยอะแยะไปหมดเห็นอะไรอยากได้แต่ก่อนก็ซื้อใช่ไหมคะซื้อไปเก็บไว้อย่างเงี้ยรองเท้ายี่สิบสามสิบคู่ก็ใส่มันอยู่คู่เดียวนั่นแหละแต่เห็นแล้วก็ซื้อกระเป๋า ลายไหนลวดไหนสีไหนออกมาเนี่ยก็ต้องไปโฉบโดยเฉพาะถ้ามีเซลลเราจะต้องไปเข้าแถวรอเลยเคยไหมคะฮอลลเดย์ Holiday, อย่างเงี้ยต้องไปรอร้านมันเปิดถึง b บ็คไฟเดย์เนี่นะคะเอาแล้วแต่ก่อนมันสามทุ่มเปิดใช่ไหมทุ่มหนึก็ขับรถกับเพื่อนออกไปเอาเล่นพอสามทุ่มร้านเปิดก็แห่กันเข้าไปพอมาเข้าแถวคอยบางทีเข้าแถวคอยจ่ายตังค์นะครเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วเดินออกอย่าเงี้ยแต่ของเยอะมากเป็นคนที่ของเป็นคนที่สังขารเยอะจริงๆ พอพอได้ปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรียออย่างหนึ่งก็คือว่าจิตใจมันเหมือนไม่มีระเบียบไหมคะคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นคนไม่มีระเบียบถ้าคุณดูรอบๆตัวรอบๆข้าวของอะไรในบ้านเวลาคุณจะออกจากบ้านทีแล้วคุณนึกทุนต้องทำทุกสิบอย่างก่อนออกจากบ้านเนี่ยคนนั้นจิตใจวุ่นวายมากน ะ, ะดายก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหาตรงนั้น ก็พอพอได้มาฝึกเนี่ยก็รู้เริ่มเห็นตัวเองก็เริ่มเห็นแต่ก่อนเนี้ยมันเห็นแต่คนอื่นถ้าเขามีเราก็อยากมีเขาเอาอะไรเราก็จะเอาบ้างอย่างเงี้ยทำไมเราจะเอาไม่ได้เนาะอุตส่าห์มาอยู่เมืองนอกเนี่ยส่งเงินให้พ่อให้แม่ได้เอา้าเราก็หาของเราได้แล้วก็ใช้ไปสิอา่าแต่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะคะความสุขที่อยู่ภายนอกเนี้ยคุณหาไปเถอะขอให้คุณหาทั้งชีวิตเนะี้ยก็ไม่มีวันพอเราลองได้คุณได้ชิ้นที่หนึ่งคุณก็เบือ่อคุณก็ไปที่สองที่สามสี่ห้าหกคุณจะไม่มีวันหยุดเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหาความสุขจากข้างในออกมานะคะความสุขที่ได้อยู่กับตัวคุณเองความสุขที่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตโอ้ตอนมานี่กดดันมาอย่างแรงค่ะเพราะว่าไปรับตำแหน่งผู้จัดการร้านเข้าใช่ไหมคะมันก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเยอะเรื่องตัดสินใจไม่เท่าไหร่แต่คนที่จะต้องที่เราจะต้องคุยกับเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ลงไม่อยากจะลงให้เราอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เครียดเราก็ร้อนร้อนร้อนมาเลยว่าโอ้โหตายแล้วเนี่ยต้องมาหาน้าดับไฟแน่นอนมนก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเครื่องบินมาก็เบาแต่ว่ามันคือเราเห็นนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอยากความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างใจเราไงคะเราก็จะคิดว่าเขาไม่ถูกแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าเราฉลาด เราก็จะเลือกทำแต่ในสิ่งที่เหมาะที่ควรอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซนแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมตรงนี้เอาไปใช้ได้เยอะค่ะของโยมนี่มาพอๆกันนะคะตัวตัวมันมาแซงมันล้ำปุ๊ บ, ป, บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้ามาเลยค่ะแต่วันแรกเนี่ยจะแพ้ตัวง่วงวันแรกวันที่สองนี่นะคะพอวันวันที่สองนี่เริ่มดีขึ้นความง่วงก็ลดลงไปหน่อยแต่ก็คิดไปเรื่อยๆเพราะว่าพอ คืนวันที่สองหลวงพี่มงคลพูดถึงให้อยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันมันแค่นิดเดียววันที่สามนี่ก็เลยดีขึ้นโอ้จะไปยากอะไรอยู่กับปัจจุบันก็ดูนาฬิกามเลยสิบห้านาทีทุกสิบห้านาทีเราก็จะเปลี่ยนพอพอพอคิดว่าตัวเองจะเริื่อนคิดไปไกลก็บอกอุ้ยมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมคะเข็มนนาฬิกามันเคลื่อนเป็นอดีตไปแล้วมันก็ตัดเลยนะมันก็ตัดลงตัดลงตัดลงพอสักวันนี้ค่ะสักบ่ายสองบ่ายสามมันก็สบายใจขึ้นมาเลยคือว่า โอ้ยปัจจุบันมันอยู่ไม่ยากหรอกปัจจุบันมันไม่มีอะไรเลยนะคะความเป็นปัจจุบันน่ะมันไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังไม่มีคิดตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้มันอยู่กับปัจจุบันมันวินาทีต่อวินาทีนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยไม่มีทุกข์เลยที่ว่าอากาลิโกนะคะเราก็เป็นความเย็นเราก็เป็นความนิ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติมันจะไม่นิ่งเหมือนหมาบ้านไหมคะเขาบอกว่าหมาบ้าน่ะถ้าเรา บ้าไปกับเขาด้วยมันก็ป่วนแต่ถ้าเรายือนอยู่เป็นกลางให้พายุมันหมุนไปเดมันก็สงบค่ะรับรองได้เลยถ้าคุณไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยมันจะสงบถ้าอะไรคุณเข้าไปยุ่งเนี่ยมันไม่เงียบมันยังไง่ายมันก็ไม่สงบส ต, ติมันดีตรงเนี้ยค่ะมันเป็นหลักให้คุณอนะปีหนึ่งหลวงพี่หลวงพ่อเพราะว่ามรการที่แล้วยมก็มาเวลายืนยืนทําผมให้ลูกค้าเนี่นะคะที่หลวงพ่อเคยถามว่าเห็นมั้งหรือเปล่ามือตัวเองเงี้ยหรือว่าเห็นแต่ดอลล่า แต่ก่อนเจอริ่สติมันก็ไม่เห็นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ยมันก็ดีขึ้นคือว่าเวลาสติมาปุ๊บเนี่ยพอเราตั้งใจทําอะไรออไปมันออกมาสวยงามนะคะมันออกมาอย่างที่เราคาดคิดแล้วมันก็มีความเข้าใจในขั้นตอนในกระบวนการความยากความง่ายเนี่ยเราปรับได้หมดในการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้ามันตั้งสติไว้แล้วเนี่ย บางทีงานมันมาต่อเนื่องเนี่ยมันมันก็จะไม่ไม่กังวลเรื่องอื่นอย่างปกติเนี่ยคุณลองยืนดีคะคุณลองเอาแค่ยืนเฉยเฉยก็แล้วกันไม่ต้องทํางานหรอกยืนได้นานเท่าไหร่หรือว่านั่งเฉยเฉยก็ได้ค่ะจะอยู่เฉยได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็โทรศัพท์เดี๋ยวก็อ น, นุเนียนนั้นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ ค, คือว่าถ้าสติมันไม่มาช่วยเนี่ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณทนไม่ได้แต่นี่บางทียืนนะคะยืนหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงถ้าลูกค้ามายิาง Holiday, ่งฮอลิเดย์ในเดือนเดือนธันวาคมเนี่ย ลูกค้าจะแน่นมากแล้วเขาก็มาเขาก็อยากสวยอยากงามเขาก็อยากได้ภาพในฝันของเขาออกไปใช่ไหมคะเราก็ต้องทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ไม่เท่าไหร่แต่เวทนานี่เยอะหลวงพ่อพราะว่าขามันแข็งเลยนะคะยังไม่ยังไม่มากรู้สึกตีมันมันเมื่อยไปแล้วมันปวดไปแล้วแต่ถ้าขยับก่อนมันก็จะดีขึ้นกรับมาที่การหลวงพ่อและอาจารย์มงคลคะ่ะแล้วก็กลับสวัสดีเพื่อนกริยาแลามีทุกท่านแล้วก็น้องใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้นะคะ ก็ขอรับต้อนรับเป็นน้องใหม่แล้วกันนะคะคิดว่าจะได้เจอกันเดือนห้าจได้เจอพี่ด้วย <laughs> คือว่ า, าปฏิบัติกับหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วอย่างที่ว่าเาพี่เป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมากเอแล้วก็หาทางออกไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งหมอหมอให้ยาทานทีนี้ทุกครั้งที่ยาทานเนี่ยเวลาไปคุยกับหมอหมอก็จะเพิ่มโดสให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั้งเราไปคุยแล้วบอกเออเราจะไปคุยกับหมอทําไม เพราะว่าหมอไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเราเลยมีแต่ตัวพี่เองที่พยายามพิจะหาวิธีในการแก้ปัญหาแล้วก็ไปบอกหมอว่าเนี่ยฉันแก้ด้วยวิธีนี้นะหมอเออดีงั้นเดี๋ยวลดยาให้อะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็ได้ลดยาคือไม่ได้ทานยาเลยแต่ว่าถึงไม่ได้ทานก็ยังรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ปกติอ่ะมันแบบว่าเซนซิทีฟง่ายจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยน้องอุ้มเนี่ยแนะนําว่ามาให้เจอหลวงพ่อมหาธิเลก เราก็เลยไปหาหลวงพ่อแล้วก็ไปเข้าคอสอต์อบรมตอนแรก3วันก่อนหลังจากนั้นก็7วันไอ้ตอน7จวันเนี้ยมันจะได้ความรู้สึกตัวทำมต้อง 5-6 วันจะไปรู้สึกตัวอยู่วันเดียวชัดๆคือวันที่7วันนั้นจะเป็นวันที่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบนันคือเห็นแต่เรานั่งยกมือ มีความรู้สึกตัวไม่มีความคิดเข้ามาไอตอนที่เห็นอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยทำให้พี่เนี่ยถึงก็ร้องไห้มาออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าที่เราผ่านมานี้เราเราทุกข์เพราะความคิดหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอว้วิธีการนี้นี่มันเจ๋งจริงๆอ่ะมันเด็ดจริงๆอ่ะก็เลยติดตามหลวงพ่อไปอีก หปีหนึ่งก็ตามหลวงพ่อแต่การปฏิบัติของพี่ตอนก็ยังไม่ต่อเนื่องก็ยังทําให้ชีวิตประจำวันเนี้ยยังมีปัญหาอยู่หลังจากนั้นก็หายจากหลวงพ่อไปสองปีนอกจากหน้าที่การงานอยู่กับครอบครัวไม่ได้แต่งงานนะคะแต่หมายถึงว่ามีพี่สาวมีแม่แค่นี้ก็ยุ่งแล้วทํางานอะไรเงี้ยก็หายไปสองปีจนกระทั่งหลวงพ่อมาตามว่ามาตามพิชิตาโกถามว่าลูกศิษย์หลวงพ่อหายไปไหนหมดแต่แล้วเราก็เริ่มทุกข์แล้วเรา ก, ก็รู้ว่าต้องกลับมาหา วิธีการนี้อีกก็ได้ตามหลวงพ่อไปฟอริดาเราก็ไปเริ่มทำใหม่ตั้งใจทำมันก็ได้ตัวสติกลับคืนมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดปฏิบัติธรรมที่ชิคาโกแล้วก็ มาสปีสอนแล้วตัวเองก็พอดีโชคดีมีลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อชื่อคุณแม่สมพรมาที่บ้านแล้วก็มาช่วยสอนวิธีการปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้มให้ที่บ้านก็จะมีพี่แล้วก็ยังมีน้องอุ้มมีอุ้ยมีประมาณ67คน็ดคนที่บ้านเลยตั้งชื่อว่าเป็นบ้านสติมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องก็นับเป็นเวลาปีครึ่งแล้วที่พี่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นเวลาแบบเรียกว่าเกือบ เกือบทุกวันหรือบางวับางทีก็มีขี้เกียจอะติดทีวีติดอลไรมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็ยังมีสติรู้ตัวแล้วก็มีโอกาสก็ไปเก็บอารมณ์เข้มคือเข้มจริงๆก็คือไปบ้านแม่สมพรเนี่ยคะพาเพื่อนๆคนไหนสนใจก็พาไปบ้านแม่สมพรไปเก็บอารมณ์คือปฏิบัติอย่างเดียวน้องไม่ต้องทําอะไรกินข้าวอะไรอาหารอร่อยมีคนปฏิบัติให้เสร็จเรานั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตื่นชาออกกําลังกายโอ้ยมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์ น, นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกเ็เห็นความสําคัญเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของเรื่องการงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการงานของพี่เนี่ยอตอนนี้เขาจ้างไปทํางานเนี่ยเขาให้ดูแลค่าการเงินอย่างเดียวทําไปทํามาเขาบอกอายดูด้านบุคคลด้วยพอทําไปทํามาอา้าวอยู่ดูเรื่องไอทีด้วยสิเราบอกหาไอทีฉันไม่รู้เรื่องเลยขนาดหลวงพ่อให้ไปหา MPT มพยังหาไม่เจอเพราะว่าได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้จัก แต่เราก็สามารถที่จะ manage มันได้กับคนในแผนก60คนสามารถที่จะควบคุมไอทีได้ด้วยการเงินด้วยการบุคคลด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวต้งแต่ยกมือสร้างจังหวะของพ่อเทียเนี่ยทำให้ความคิดของเรามันเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วรู้จักว่าอันไหนคนทําก่อนทําหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจัดระเบียบของมันเองเลยแล้วก็การทํางานก็ไม่ค่อยมีทุกมีเดี๋ยวคนมาเล่าทุกข์ให้ฟังเพราะอยู่ฝ่ายบุคคลเพื่อนๆก็ชอบมาเพื่อนๆเรียกว่าแพทย์ Do you have time? บอกทำไมหรอ I need to talk ครับโอเคก็เดินออกไปอับเขามนจะคุยหาเรื่องคุณแล้วคือการฝึกวิธีการนี้เนี่ยมีความสุขว่า ตัวเองเป็นคนที่มีจิตวิทยาที่ดีเราจะพอเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจคนอื่นเพราะเราเข้าใจถ้าพูดง่ายๆคือตอนแรกปฏิบัติเราจะเห็นแค่กายกับใจปฏิบัติไปปฏิบัติมาจะเห็นเป็นรูปนา <c oughs> แต่เราก็จะอธิบายให้เพื่อนฟังลักษณะของกายกับใจเพื่อนเนี่ยเป็นฝรั่งเราอธิบายเขาฟังง่ายๆว่าบอดี้แอนด์ไมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจเขาก็แบบ แล้วก็าบอกอายุลองเอาไปปฏิบัติดูนะแต่เราไม่ได้สอนเขายกมือเราสอนให้เขารู้สึกตัวจับช่วยน้ําเดินหรือทําอะไรให้มีความรู้สึกตัวอธิบายเขาฟังปรากฏว่าเขานําไปใช้เพราะตอนกลางวันเนี่ยเขาเดินขึ้นลงกระไดเนี่ยอยู่ชั้นยี่สบห้าเขาลงไปชั้นสิบแปดเข้าห้องน้ําห้องน้ําเสร็จเดินกระไดกลับขึ้นมาชั้นยี่สบห้าเขาทำอย่างนี้ทุกวันน่ะจนเขามีสติหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาเล่าเรื่องทุกให้เราฟังอีก เพราะว่าเราจะเรื่องอะไรไปนั่งฟังทุกคนทุกวันใช่ไหมคะเราก็ต้องหาทางแก้เขาหลังจากนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องความสุขเขาก็มาบอกหรอกว่าเดี๋ยวนี้เจ้านายฉันดีมากเลย เราก็นึกในใจว่าไม่ใช่เขาดีหรอกใจอยู่มันสงบเขาถึงดีใช่ไหมคะตอนใจอยู่ไม่สงบอยู่ว่โอ้เจ้านายไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้พอตัวเขาสงบเขาก็สุกโอ้เจ้านายฉันดีมากเลยนะเดี๋ยวนี้ดีกว่าฉันมากแล้วก็โอเคโอเคอพอคนนี้เดี๋ยวคนนั้นมาเราก็จะมีวิธีในการช่วยเหลือคนคนไหนช่วยได้เราก็ช่วยคนไหนช่วยไม่ได้เราก็ไม่ช่วยคนไหนเราคิดว่ามันมันยากที่จะพูดเราก็ไม่พูดเราก็ตัดบทเป็นจบ เพราะฉันเนี่ยครั้งนี้ก็มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออีกก็มากับน้องอุม้มกับอุ้ยการปฏิบัติครั้งนี้ก็รู้สึกมีความชัดเจนมากขึ้นคือการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยจะมีการพัฒนาของมันที่มันจะมีความชัดเจนอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะดีที่สุดเนื่องจากว่าการปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันจะมี มีความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกตัวในการปฏิบัติและการออกไปอยู่ข้างนอกในการเข้าห้องน้ําทําอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวที่ชัดเจนใช่ไหมเนี่ยเราเรามีความคิดเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกเรามีการเจ็บป่วยเมื่อยตรงไหนเข้ามาเราก็รู้สึกเราสามารถที่จะแก้ปัญหาและจัดการกับมันได้โดยเฉพาะในวันที่เมื่อวันอังคารคะเป็นวันที่อากาศไม่ดีมากวันนั้นจะเป็นวันที่ฝนตก ถ้าอากาศไม่ดีเนี่ย อ, อุณหภูมิภายนอกนอความกดอากาศจะต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบหมุนเวียนของเลือดลมเรามันจะไม่ดีวันนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าหนักแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราได้เรามีสติที่จะดูวันนั้นเนี่ยจะทุกคนจะมีปัญหาหมดเราเป็นคนสังเกตเพราะว่าเพื่อนอุ้มก็จะมีปัญหาไม่สบายหลวงพ่อจะมีปัญหาความร้อนออกจากหู แล้วก็เออมันนั่งพิจารณาเออเป็นเพราะความกดอากาศต่ำนะเนี่ยทุกคนมีปัญหาหมดฉันเนี่ยวันนั้นวิธีแก้คือใช้เดินจงกรมเยอะเพราะว่าการเดินจงกรมทําให้เราเลื่อนลมหมุนเวียนดี D, ถึงแม้เรายังเห็นว่ามันยังหนักแต่เราก็มีสติคือสร้างตัวสติอย่างเดียวการทําอันเนี้ยเจริญสติทุกทุกแนวทางจะเป็นนั่งย่องๆก็ได้เมื่อยก็นั่งย่องๆนั่งตบมืออะไรอะไรก็ได้ที่มันมีสติเราก็ทําให้มันต่อเนื่อง เรียกได้ว่าอสองวันนี้นี่เป็นการปฏิบัติที่สบายๆไม่รู้สึกเบื่อแล้วปฏิบัติไดทั้งวันสามารถที่จะปรับสมดุลหลวงพ่อจะสอนให้รู้จักปรับสมดุลของความสบายและไม่สบายก็ทําให้ใจเรามันสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทุกริยาบทจะอยู่ในห้องนี้หรืออยู่ข้างนอกความรู้สึกก็เหมือนเๆกันนะคะ่ะหลวงพ่อคุณปรารถนาใจด้วยเสียงก้าวกร <c oughs> าบนำสักการหลวงพ่อ ท่านอาจารย์มงคลด้วยความขรึมยิ่งก่อนอื่นผมขอกราบนาฏ ก, การท่านพระมหาวสันต์ที่บอกข่าวอันเป็นมงคล น, นี่มาสู่ผมว่าท่านหลวงพ่อจะเดินมาอาเปิดอบรมทำที่วัดมหาชนินกแห่งนี้ถ้าท่านไม่บอกบ่านนี้ผมก็อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศนะครับคงไม่ได้มาครับก็ขอกราบ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ดีมากเงียบสงัดห่างจากชุมนุมชนเหมาะสมกับผู้ที่จะมาปฏิบัติและท่านเจ้าวาดแห่งนี้ก็ได้จัดเตรียมสถานที่สําหรับผู้จะมาปฏิธรรมที่ว่าเป็นปจัจจัยสี่เหลือสามปัจจัยสุนที่สท่านต้องใส่มาเองนะเสื้อผ้าอาหารยารษาโรค ที่อยู่อาศัยแต่แต่แต่เสื้อผ้าท่านไม่ได้จะมีจัเสื้อท่านจัดไว้ให้อย่างสสใสนี่ครแต่พวกเกงอะไรก็ท่านต้องหามาเองครับยอดีธรรมทุกท่านที่มาจากไกลนะครเชคยก็ฟอลอริดาแล้วก็ผูมาใหม่ผมก็ไม่ทราบมาจากไหนเหลือแล้วขอบคุณนะแม่ครัวที่ทําอาหารรสเลิศจึงเป็นศัตรูในการปฏิธรรมของผมด้วย <c oughs> แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่นําอาหารมาสู่วัดแห่งนี้เนะี่ยที่ผมได้ทานเป็นเลือดเป็นเนื้อมีแรงปฏิบัติทำการปฏิบัติประมงผมเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะฮะแต่ครั้งที่สีนี้ยาวหน่อยครั้งแรกก็ได้ปฏิบัติกับหลวงหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อที่นี่แหละไม่รู้เรื่องอะไ ร, ะ ร, แ, รแล้วครับเพราะเป็นครั้งแรกเราไม่เคยรู้จักว่าการยกไม้ยกมือเนี่ยมันเป็นอะไร สำหรับชื่อผมไม่ต้องบอกนะครับฮัลโหลที่ตามมาบ้านสติมาทั้งที่เขาเรียกผมว่าลุงเบนรู้สึกตัวนะฮะคุณมากที่ทั้งชื่อให้รู้สึกตัวนะตาลูกสึ่เจอจริงๆได้เนี่ผมก็ดีมากสรุปผลการปฏิบัติครั้งนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนน้ารูปหรือกายร่างกายผมได้เต็มๆเพราะว่าสุขภาพดีขึ้น หลังจากาหลวงพ่อพาปฏิบัติออกกาลังกายทุกเช้าทุกเช้านี่จิตใจปลอดโปร่งสุขภาพแข็งแรงเดินเหินแม้อายุจะมากแล้วก็เดินกียังสะดวกสบายอยู่ครับก็ก็อันนี้ที่ผมได้จัดจากก็คือร่างกายไม่เพียงแต่ร่างกายทางทางทางธรรมก็ได้ด้วยคือมีสติมากกว่ากักว่าจากการปฏิบัติโดยตรงหลังทานข้าวอะไรแล้วได้ร่างกาย และอีกอย่างก็ได้สติมากจากการสวดมนต์นะนี่ผมได้ได้มากๆแต่ได้สุดคือการออกกำลังกายตอนเช้าส่วนทางบธรรมทางธรรมทานนั้นเนะ่ยยังมีจีวร น, <c oughs> นิวรเนี่ยตัวที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือการง่วงแต่ตอนหลั ง, งเจ้าฟงนี่จะมาทับถมเสมอครับ ผมก็รู้ว่ามันไม่ดีเพราะหลวงพ่ออุปมาไว้ว่าเหมือนเอาขี้มาทับกันว่าไงครับฮว่าเพราะว่ามันไม่หายไอไอวมุ้งม่วงมันก็เหมือนขี้เป็ดเนี้ยไออตัวไอเพอไอเพอะฟงเนี่ยมันก็เหมือนขี้ไก่เอาขี้ไก่มาทับขี้เป็ดมันเป็นขี้กองกองใหญ่กว่าเก่าก็ผมก็เลยไม่ไม่ใช้ฮะไม่ได้ใช้ตั้หลังก็พยายามหาเทคนิคต่างๆได้รับจากอคุณแลกมั่งคุณ อย่ากได้ทั้งหมดนะครับบอกผมว่าจะทํำยังไงคือทําให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ง่วงมันก็หายเองผมก็พยายามทําอยู่แต่พยายามทำทุกครั้งมันก็อยจะมันก็จะวิ่งหนีเข้าสู่ไอ้ไอ้ฟุ้งฮะจากง่วงไม่มีแล้วก็เป็นฟุ้งมันก็เป็นสองกองอยู่ดีครับครับ <S <S <S <S ยกยกตัวอย่างการฟุ้งนะฮะผมก็ขอยกตัวอย่างเดียว ฟุ้งยังไงฟุ้งไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ไม่ใช่ทั่วแต่ฝันไปถึงศรีปานะ่ปาเนอะศรีป่านจะเขียนไว้ว่าทอร์เรนีนี้เป็นพยานนะ <c oughs> เราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเนะเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนี้ขึ้นสนองแต่แต่ผมฟุ้งต่อไปอีกว่าศาลาไปแบบ ธ, ธรรมนี้เป็นพยาน เราก็สิทธิ์มีอาจารย์คือหลวงพ่อมหาดิเลกนะเรากินข้าวมากเราหลับเราไม่ว่าแต่วันนี้เรากินข้าวน้อยทําไมหลับจึงมีครับนี่มันฟุ้งไปงั้นะนะครับครับไอ้ replace. <crops and libert arian> อุปสรรคแล้วอุปสรรคอีกตัวนึงก็คื อ, ค, อคือข้าวฮะทานข้าวมากๆซึ่งหลวงพ่อบอกว่าบอกทุกวันเลยว่าทานข้าวอย่างเมื่อกี้ท่านก็หลวงพ่อก็พูดว่ามันเป็นอุปสรรค ทานแต่น้อยพอมีกำลังเดินเงี้ยนีอยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ทราบามีอาหารจานหนึ่งที่ผมชอบถ้าเป็นที่บ้านผมง็ทานสองจานนะแต่เมืเ่อนึกถึงหลวงพ่อก็ <c oughs> ผมแก้งเมินนะครับครับผมแก้งเมินแล้วก็พอเดินไปเอา้าเอาสันหน่อยกลับมาตักจนไดน้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ถั่วมาสี่ชิ้นอะแล้วก็ผสมกับน้ำเพื่อจะไม่ได้ไปได้รถเก่ามันมันติดน่ะครับ ก็คืออุปสรรคส่วนเรื่องอื่นๆ <c oughs> ผมพยายามพยายามที่ อ, อ่อได้ อ, อย่างเรื่องร่างกายนะตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาไปหวีผมอาบน้ำล้างหน้าหรือว่าแปรงฟันเนี่ยผมรู้สึกเบื่อในผมของผมเพราะบางทีมันผมมันมันมันไม่เรียบร้อยมันเนียผมว่าอยากจะโกนหัวมาหลวงพ่อครับ <c oughs> <c oughs> ครับครับแล้วแล้วไอไอเลอกฟันเหมือนกันนะ เวลาทานข้าทุกครั้งเดี๋ยวต้องลำคาญกับไอ้ไอเศษอาหารติดเหงือกติดอะไรนะครับก็เลยคิดเงทําส่วนการปฏิบัติธรรมทั้งเจดวันที่ผ่านมาผมพยายามยึดหลักสติปัฏฐานสีที่หลวงพ่อแนะนําไว้แล้วก็ได้ยึดหลักอื่นๆที่ทางอาจารย์ประสานอาจารย์ประสานได้แนะนำไว้เช่นปิดวาจารหรือกายตื่นรู้ํานองนี้นะครับว่ายึดเป็นหลักประจําอยู่เสมอระหว่างช่วงเดินเนี่ย เรื่องสติประฐานสี่มก็ยึดกายที่หลวงพ่อแนะนําเพราะมันเป็นของหยาบที่จะเห็นง่ายกว่าดูลมหายใจหรือดูอารมณ์อื่นๆเนี่ยแต่ผุทธะาก็มารบกวนด้วย อ, อารมณ์ธรรอารมณ์อย่างง่วงหรือไอ้ฟุ้งซ่านที่ว่าเนี่ยครับก็ยังก็ยังยั ง, ย, งยังแก้ไม่หายครับการเปลี่ยนแปลงนักอาการของเพเวอรทนาหนักเบาสุขสบายเห็นง่ายกว่าการนั่งครับ ระหว่างยกเท้าไปก็เห็นอยู่ไอ้สีสีดําสีเทาอะไรสีดําสีขาวเห็นง่ายหน่อยครับแต่สีเทาเห็นยากแล้วก็เส้นระหว่างสีเทาแทบไม่เห็นเลยครถ้าทบจะให้เห็นก็ต้องเดินช้ามากเหมือนเหมือนเดินเป็นคนไม่ปกติถ้าไปเดินที่บ้านแล้วนอกเขาว่าผมเพี้ยนแน่ๆครับก็ <laughs> แต่ถ้าเดินช้าก็จะง่วงก็ง่วงแล้วก็ ปัญหาก็ตัวฟุ้งจะมาแก้ทันทีทั้งที่ผมบอกว่าอย่ามากุยุ่งก็มันก็มาอยู่ครับเถิดเดินถอยหลังถ่ายหลังก็ก็ ก, ก็ก็ดีครับแต่ก็ไม่ไม่เห็นไม่เห็นเทาเห็นแต่ขาวกับดำครับฮะฮะเทาไม่เห็นไม่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของขาเนะะี่ยฮะแล้วแต่การนั่งนี่ไอไอเทานี้ไม่เห็นเลยครับเห็นแต่เห็นแต่ไอตัวหนักที่ขอโทษที่ กนกัดส่นมากผมจะแช่นานเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคครับแต่ก่อนจะจบก็ขอฝากาบทของท่านอาจารย์วศินเตืนอนพวกนักปฏิบัติธรรมไว้ว่าทางหลวงมารล่อให้ทุกทนชีวิตไหยเวียนวนลกร้อนทางรอดรอดด้วยกระมลทำคงมั่นทำเหย สลัดกิเลสซ่อนซ้อนห่างพน้นทุกข์ะทมขอจเจริญในธรรมทุกท่านครับ